มันกามคุณเนี่ยนะชั้นใดวัตถุที่น่าปรารถนาคูณะตัวนั้นก็แปลว่าตัวรักยึดตัวเกาะเหมือนกันเกาะให้ติดในกามก็ว่าวัตถุกามเป็นที่ตั้งแห่งการยึดติดติดเกาะเนี่ยนะมีอยู่ห้าประการห้าประการเป็นฉไหนรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสุอันน่าปรารถนาหน้าใครน่าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำหนัดเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหู อันหน้าปราถนาน่าใคร่หน้าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำนัดกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกอันหน้าปราถนาน่าใคร่หน้าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำนัดรสที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นอันหน้าปราถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำนัดโพธพภะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายอันหน้าปราถนาน่าใคร่น่าพอใจ น่ารักยั่วโยนชวนให้กำหนัดดูก่อนพิสูจนทั้งหลายกามคุณห้าประการเหล่านี้แหล e. นะกามาคุณหประการนนะดูก่อนพิสูจทั้งหลายสุขโสมนัสอันใดอาศัยกามมคุณห้าประการเกิดขึ้นสุขโสมนัตนี้เรากล่าวว่าการมมาสุขกรรมมาสุขเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นสุขที่มาจากรูปสุขที่มาจากเสียงสุขที่มาจากกลิ่นสุขที่มาจากลินาากล้นสุขที่ได้มาจากรส ความสุขเหล่านี้ท่านพระองค์บอกว่าเป็นสุขที่ไม่สะอาดเป็นสุขของปุถุชนสุขไม่ใช่สุขของพระอริยะไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเจริญไม่ควรทำให้มากซึ่งความสุขเหล่านั้นพระองค์บอกว่าเราย่อมกล่าวว่าควรกลัวต่อความสุขนี้ถามว่าทำไมกลัวให้กลัวต่อความสุขเหล่านี้เราต้องไม่ลืมเสมอว่าตัวอย่างคืออะไร เขาบอกว่าคนที่ที่แบบอะไรนะเห็นแก่ความโลภโดยมากตาบอดใช่ไหมเห็นแก่ความเพลิดเพลินโดยมากตาบอดเช่นกับปลาที่เห็นแต่เหยื่อไม่เห็นเบ็ดที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะที่ติดตามมาเนี่ยนะยิ่งสถานที่ที่เขาเขาจะตกเบ็ดด้วยเนี่ยนะบางคนที่ชํานาญในการตกเบ็ดแทบเรียกว่าจะเอาปลาทั้งหนองให้เขาทำยังไงเขาโปรยกลิ่นที่หน้าพอใจให้มันปลาทุกตัวที่อยู่ในน้องเนี่ย ยินดีพอใจอย่างเต็มที่เสร็จแล้วก็ตกเอาตกเอาตกเอ า, เ อ, าอันน้นวิธีล่อปลาให้ติดเบ็ดเขาก็คือว่าวางกลิ่นก่อนวางกลิ่นให้มันปลาเนี่ยพอใจให้มันเต็มที่เสร็จแล้วก็วางเหยื่อที่เหลือก็ถูกต้มหมดเนีปลาเหล่านั้นในที่สุดก็ถูกต้มหมดฉันใดเนี่ยหนะมูสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นนยะก็บางอย่างนี่เขาเหมือนกับกลิ่นแม้กลิ่นมันหอมยั่วยวนเหลือเกินแหมตรงนั้นมันดีตรงนี้น่าจะดีแต่เสร็จในที่สุดหมดตัว ก็อย่างบางยุคบางสมัยที่ว่าอุ้ยมีแต่คนได้มีแต่คนได้ต้องไม่ลืมว่าถ้ามีใครได้มันต้องมีคนเสียอแล้วมีแต่คนได้มีแต่คนได้แล้วใครเสียล่ะครับนี่ในที่สุดไอคนที่ได้นำเสียเกือบทุกคนเหมือนกันนะไอคนที่ได้นั่นแหละเสียตอนแรกวางใจเหมือนได้เหมือนได้เหมือนได้ในที่สุดทุกคนสูญเสียกันซะส่วนใหญ่เพราะในโลกของวัตถุกรรมเนี่ยเป็นอย่างนั้นมันใครที่หน้า ม, มืดตามมวทั้งหลายเลยเนี่ยถูกเบ็ดหมดอะ ถูกเบ็ดหมอกเรียวเจอเหยื่อเข้าไปในวางในกลืนกินอย่างอร ե ศอร่อยในที่สุดก็พรานเบ็ดก็เอาปลานั้นไปทําตามที่ตัวเองปรารถนาฉันใดสุขทั้งหลายในวัตถุกรรมก็ฉันนั้นพระองค์บอกว่าให้กลัวต่อความสุขเหล่านี้เอาไว้ให้มากเพราะว่ามันมีโทษเนี่ยนะตอนต้นดูเหมือนดีแต่ตอนปลายเนี่ยทำใจได้ไหมสมมุติเราคิดถึงอ่ะสมมุติ ถ, ถ้าเราเป็นปลาแล้วไปติดเบ็ด เต็มใจไหมถ้าเอาขึ้นเคียงแล้วเขาเอาเกล็ดเราออกเนี่ยนะเขาเรียกว่าเอามีดเนี่ยเวลาเอาเกล็ดออกเนี่ยไม่ใชเนี่ยนะเอามีดปาตั้งแต่หางขึ้นมาแพดเดียวขึ้นมาเนี่ยถลอกปอกเปิ่หมดนะนะแต่ว่าเอาไหมถ้าเป็นกบที่ติดเบ็ดกบนี่ก็กินเบ็ดเหมือนกันเป็นกบติดเบ็ดเสร็จแล้วทําใจได้ไหมที่ต้องถูกถลอกหนังเนี่ยนะต้องถูกถลอกหนังหรือทําใจได้ไหมถ้าไปติดเบ็ดแล้วอ่ะเราต้องไปเป็นปลาเผานะทําใจได้ไหมที่จะต้องแบบว่า น้ำที่กำลังเดือดพรานแล้วจับโยนลงไปตอมแล้วก็ต้มเปรตน่ยนะต้มปลาไหลเพราะปะลาไหลก็ติดเบ็ดเหมือนกันถ้าไม่ติดเบ็ดก็ไม่ตายง่ายๆอันในโลกของวัตถุกรรมเนี่ยนะน่ายั่วยวนชวนให้พอใจในตอนต้นแต่ตอนปลายพยายามคิดถึงที่สุดของสิ่งนั้นอยู่ที่ไหนที่สุดคือที่ไหนแต่ว่าอย่าสายตาสั้นก็แล้วกันแต่บางคนก็สายตาสั้นก็ดูแล้วฉันดูรอบครอบจริงๆนะว่ามันไม่มีอะไร <g ül> ก็ใช่อ่ะสิมันสายตามันสั้นมันมองเห็นแค่คืบเดียวจะไปเห็นอะไรอาจจะรอบครอบก็รอบครอบแค่คืบเดียวมันก็เห็นอยู่คืบเดียวน่ะไหมต้องสายตายาวเท่าพระพุทธเจ้านะอย่างอุ๊ยในโลกนี้ใครที่มองเห็นอะไรมองได้เป็นเดือนอ น, นี่ก็ถือว่าเก่งนะใช่ไหมใครที่มองได้เป็นปีนี่ก็เก่งถ้ามองได้หลายสิ ป, ปีนี่ก็เก่งอุ๊ยใครมองชีวิตหมวยจะคิดถึงวันตายเลยอุ้ยอันนี้ฉลาดจริงๆคุณนี่กำังคิดถึงวันตายสายตาคุณกว้างไกลเหลือเกินคุณถึงชีวิตคิดถึงได้ถึงตาย แต่ก็บอกพวกมองเห็นได้แต่ชาตินี้ก็พวกสายตาข้างเดียวเพราะงั้นมีตาเดียวเนี่ยนะไม่ได้มองการกายออกได้มองแบบพระพุทธเจ้ามองกรชาติหน้าหลายชาติหลาย10ชาติตลอดหนึ่งชาติ2ชาติ3าชาติ4ชาติ5้าชาติ10ชาติ20ชาติ30 40ิบี่สิชาติร้อยชาติพันชาติแสนชาติตลอดสังวัตตอ่าหลายๆแสนชาติตลอดสังวัตกลับวิวัตตะกลับเป็นอันมากถ้ามองหลายหกับหลายหอาศงไข่กับหลายหอสงไข่กับเนี่ยนะ เราจะรู้ ว, ว่ามันกามทั้งหลายสิ่งที่เราหน้าเพลิดเพลินเนี่ยหน้าขำสิ้นดีว่าไงนนะตลกกระตายไปนะมั น, นเหมือนเล่ห์หลายอย่างที่อ๊เป็นจริงเป็นจังเหมือนกับเด็กเล่นใครของทะเลาะบบาแวงด่ากันจบมาไม่มีอะไรหรอกบางเรื่องนั่นก็เป็นอย่างนั้น น, นแหละนะมันก็ต้องมาไขครัวให้ดีว่าสุขที่มีกับสิ่งเหล่านั้นความเพลิดเพลินพอใจในกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นของชั่วคราวเป็นสมบัติผลัดกันชมเป็นของที่ไหลเวียนไป ใครมีบุญหน่อยก็ได้พบได้ประสบะะพบปะเจอเจอแต่สิ่งที่น่าพอใจหน่อยใครหมดบุญนี่ก็เริ่มมีปัญหาใครหมดบุญสิ้นเชิงสิ่งที่เราว่าดีๆมันก็แปลเป็นพิษขึ้นมาทันทีเนี่ยนะรถที่ใช้อยู่ดีๆมันก็กลายเป็นเพชฌฆาตมาดีๆนี่แล้วเนี่ยนะข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นอยู่ดีๆเนี่ยนะห้องน้ำเป็นที่บำบัดทุกที่ไหนได้กลายเป็นสุสานไปทันทีเนี่ยนะกลายเป็นสถานที่เป็นโรงฆ่าบันไดที่อำนวยความสะดวกขึ้นลง กลายเป็นว่าที่ผลักให้ตกเหียวก็ไดนนะ้นั่นหลายๆอย่างพื้นที่ว่าแม้สะอาดด้วยการดูงามเวาวับขัดแล้วก็เดินจะพลานหัวทิ่มเลยนะสมองขังเลือดนันที่ไหนที่เราว่ามันดีเนี่ยนะในที่สุดถ้าบุญมันหมดแม่นะมันก็ มันไม่ดีจริงแล้วเมื่อไม่ดีจริงอย่างร่างกายของเราว่ามันดีดีเราก็เลี้ยงให้วันละให้อาหารวันละสามมื้อมันก็หายน้ําเราก็เติมให้มันเพลียแเราก็พักให้ดูแลเอาใจทุกอย่างมันดีขึ้นทุกวันไหมเนี่ยนะนมขึ้นทุกวันนี unified, ย่ยิ่งดูแลยิ่งดียิ่งดูแลยิ่งดียิ่งเจริญเติบโตไหมใช่ไหมเปล่าเนี่นยนะยิ่งดูแลยิ่งแก่กับเดิมยังไงเนี่ยยิ่งดูแลยิ่งแก่กัน เขามาเนึกขำโยมกันหนึ่งก็เล่าให้ฟังนะเขาได้รอเรียนไขนะเล่าให้ฟังเขามีคนเล่าแบบนี้เขาบอกว่าเขาเล่านะแม่บ้านผมนะครับตอนแรกนะตอนแต่งมันก็ไม่แพงอะไรพันก็บาทสมัยนั้นนะะยตอนนี้อายุมากแล้วเขาบว่าแต่ตอนนี้ทําไมมันแปรายแพงกว่าเดิมมากมายเลยก็ยิ่งจ่ายยิ่งจ่ายแพงเขาบ่าแพงทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะนี่เขาว่กสามสีสบปีแล้วเขาว่าจ่ายแพงมากกว่าเก่าเยอะเขาว่างั้นเขาบอกโอ้ยไม่ไหวเขาบอก พูดอะไรตอนนี้แล้วยากสายใช้แล้วชวนบวชตอนนั้นนี่เหรอพระเจ้าไม่อะไรนะพระพุทธเจ้าไม่อยู่ในสายตารกวั้นแต่เวลาที่อะไรนะมันไม่ได้ดังใจคิดแล้วเมื่อไรเราก็นั่นแหละพระพุทธเจ้าดีแท้เนี่นะแต่ว่าของเราก็ไม่เลวนะก็กลับมาหาตามเดิมอีกน่แล้ะก็เลยพอใจก็เลยไม่คิดจะออกนู้จะออกยังไงพ่านก็ต้อง พยายามต้องคิดนวัตกรรมของพระอรหันต์ทั้งหลายท่านพูดไว้อย่างไรเราจะได้หูตาสว่างสักทีหนึ่งคือบางทีเนี่ยนะแปลกนะคนบางคนเนี่ยมนะันต้องการหน้ามืดตามัวจริงๆอะ่ะไอ้โลกของวัตถุกรมเนี่ยเหมือนกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งะนะที่ที่เขาเล่าให้ฟังเป็นเด็กชาวชน บ, บทเข้ามาในตัวเมืองเข้ามาทํางานในเมืองเสร็จแล้วก็ไปอนะันนั้นก็มีผู้ชายที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วยิงคนนี้นี่ก็ไป เป็นเด็กอายุสิบหเองอะนะยังเล็กๆอยู่เลยอ่ะก็มาติดผู้ชายแล้วก็ผู้ชายเขาก็มีครอบครัวแล้วเขาก็ไม่ได้รักจริงๆเนี่ยนะแต่ตัวเองก็ไปรักผูกพันจนกลที่สุดเด็กคนนี้กลายเป็นบ้าพอ ก, กลายเป็นบ้ากลับไปแล้วใครดูแลนะพ่อแม่ก็ไปดูแลแต่แล้วเด็กมันก็คิดถึงแต่นั่นนะ่ะคิดถึงแต่ผู้ชายคนนั้นแหละแล้วตัวเองก็เศร้ามองซึมเศร้ากลายเป็นโรคกรายว่าต้องกินยาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะ มันถามว่าโอ้และชีวิตอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงเนาะมันจะทุกข์ขนาดไหนเนาะแล้วถามว่าแล้วเวลามีใครมาบอกนะว่าเออเขาอย่างงั้นอย่างงี้มันฟังไม่ได้ไม่อยากฟังเขาดีอย่างเดียวเนี่ยนะกนะ็ก็ใครว่าหน้ามืดตามมวฉันใดคนที่เพลิดเพลินในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าหน้าดีสําหรับเราก็ฉันนั้นเนี่ยนะก็ไม่มองเห็นโทษในบ้านปลายเนี่ยนะแต่ถ้าเราคิดให้ยาวๆคิดอย่างที่พระพุทธเจ้าพาคิด บ่อยๆตามถ้อยคําของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์บอกที่พระองค์แนะนำอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่พระองค์รังเกียจความสุขของของอะไระเพราะพระองค์มองพวกเราทั้งหลายเหมือนกับมองลูกมองหลานอยู่แล้วถามว่าพระองค์เนี่ยรังเกียจต่อความสุขเหล่านี้นักหรืออย่างไรพระองค์ไม่อยากให้เรามีความสุขหรือมันเหมือนกับอย่างสมมติถ้าพ่อแม่เนี่ยนะถ้าเรามีลูกเรารักลูกมากเลยนะ แล้วลูกของเราดัานไปติดยาเสพติดที่เขาบอกเขามีความสุขมากนี่แหละพ่อแม่พ่อจา๋าแม่จา๋านี่แหละสะวรรค์นในหมู่มนุษย์เนีย่ยนะนี่แหละสวรรค์การระวันวะวงนั้นนะเออติดยาเสพติดนะถ้ามันไม่ให้ความสุขเลยมีใครติดหรอกและนี่แหละคือสวรรค์ในหมู่มนุษย์เนี่ยนะ พ่อแม่ทําไมมาขัดขวางความสุขของลูกเหลือเกินเนี่ยนะคอยป้องกันคอยห้ามปรามดุดา่าไม่ให้ลูกติดยาเสพติดเนี่ยนะใช้ทั้งคําหนักบ้างใช้ทั้งคําเบาทั้งคมคูทั้งปลุกปลอบทําไมอย่างนี้พ่อแม่ใจร้ายขัดขวางความสุขของลูกแล้วเราผู้เป็นพ่อแม่จะคิดยังไงอ๋อชั้นใดก็ดีถ้าสิ่งที่เราเพลิดเพลินเนี่ยนะในสายตาพระพุทธเจ้าก็มองอย่างนั้นนั่นแหละว่าเราทำร้ายติดยาเสพติดเนี่ยนะแล้วมันเดือดร้อนมันไม่ใช่เดือดร้อนแค่ชาตินี้ เนนะหลายๆพบหลายๆชาติเนี่ยนะไปเดือดร้อนไปเร่าร้อนในอบายทุกขติวินิบาติในนรกเป็นต้นมันจิตใจถ้าไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่น่าเพลิดเพลินในตอนต้นแต่ก็เดือดร้อนในตอนปลายเพราะสิ่งเหล่านี้คือผลไม้ที่มีพีดว่า ง, งั้นเนี่ยหวานจริงในทวารลิ้นแต่ว่าเดือดร้อนในทวารกายเนี่ยนะก็เหมือนกับเชื้อโรคบางอย่างที่ติดเข้ามาในฐานะที่น่าเพลิดเพลินแล้วก็โรคเหล่านั้นก็เดือดร้อนเนี่ยนะยัง อย่างตอนนี้เขาบอกว่าผู้เป็นเอชประเทศไทยก็มีเหลืออยู่ล้านกับคนนะนะล้านกับคนเนี่ยถามว่ารูปแบบของเอชโดยมากมาจากความสุขหรือความทุกข์เนะี่ยถ้ามันติดเชื้อแบบโอ๊ยยากที่จะติดได้โอทุกคนคงไม่ติดกันหรอกแต่เนี่ยมันเรียกว่าศกโสมนัสนําหน้าท้ายที่สุดก็พร้อมกระรองเนี่ยนะไม่มีใครพูดคุยกับตัวเองพร้อ ม, มก็มีคนหนึ่งที่เรียกว่าจับตัวตรงไหนเนื้อก็หลุดติดมือมาตรงนั้นนั่นแหละถ้าเจอขนาดนั้นถามว่าตอนต้นนี้สุขใช่ไหม ใช่แล้วตอนปลายล่ะเดือดร้อนใช่ไหมทุกข์ใช่ไหมเนี่ยนะแล้วก็แล้วก็เป็นอะไรเป็นคนที่โรคหลายๆอย่างเข้ามารุมเร้าอยู่ในตัวท่าไม่เจ็บป่วยขนาดไหนฉันใดวัตถุที่หน้าเพลิดเพลินทั้งหลายก็ฉะ น, นั้นตอนแรกหน้าเพลิดเพลินแล้วตอนปลายท้ายที่สุดล่ะท้ายที่สุดนะท้ายที่สุดก็เดือดร้อนเนี่ยนะคือที่พูดอย่างนี้ว่าพระองค์อยากให้พบกับความสุขที่แท้จริงมากกว่า สุขที่ไม่มีโทษสุขที่ไม่เดือดร้อนสุขที่ไม่ลำบากสุขที่ไม่ต้องกังวลกระวายสุขที่ไม่มีพิษมีภัยในภายหลังคือสุขที่เกิดจากมรรคผลคือพระองค์อยากให้พบความสุขที่แท้จริงพบความสุขที่แท้และแน่นอนเนี่ยนะพระองค์ก็เลยตรัสว่าอาทีนาวังกามคุเนสุทิสวาแปลว่าเห็นการามคุณคทั้งหลายนีย่มีโทษโทษยังไงมาดูโทษแห่งกาม ดูก่อนพิสูจทั้งหลายนี้โทษแห่งการมโทษของวัตถุกรรมที่น่าเพลิดเพลินนังที่กล่าวแล้วมีอย่างไรดูก่อนพิสูจทั้งหลายกุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีพด้วยที่ตั้งแห่งศิลปะเนี่ยนะศิลปะการศิลปะก็คือการประกอบอาชีพในสาขาต่างๆเช่นอาชีพนับนิ้วมือคํานวณสมัยนี้เรียกบัญชีประมาณกสิกรรมเนี่ยนะการประมาณการก็คือนักอะไรนักวิจารณอะไรสรารพัดอย่างกสิกรรม ก็เกษตรกรรมนั่นแหละพาณิชยกรรมค้าขายสมัยใหม่เขาเรียกธุรกิจเนี่ยนะโคลรกักรรมเขาเรียกในโคเลี้ยงโคสมัยใหม่เขาเรียกว่าทําฟาร์มเจ้าของฟาร์มเนี่ยนะนน้เจ้าของฟาร์มวัวฟาร์มวัวนมฟาร์มเนื้อฟาร์มอะไรก็ว่าไปหรืออาชีพเป็นนักกรบเป็นข้าราชการหรือประกอบกิจอย่างอื่นที่ทําจากศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งนะความรู้ความสามารถในโลกนี้ การประกอบสาอาชีพแต่ละสาขาเป็นยังไงจะต้องทนต่อความหนาวต้องทนต่อความร้อนทนต่อเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายอะไรแล้วก็เบียดเบียนต้องตายเพราะความหิวตายเพราะความกระหายดูความทิสูทั้งหลายโทษแห่งกามนี้เห็นกันได้เองเป็นกองทุกข์ ที่มีการเป็นเหตุมีการเป็นนิทานมีการเป็นอธิกรเป็นเหตุแห่งกรมทั้งหลายนั่นเองเนี่ยนะก็คนที่ประกอบอาชีพเนี่ยเราพบไหมโอ้มีความสุขจังขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณมีความสุข น, น, นะแต่ถ้าเป็นฝรั่งเขาถามไงสักคุณสบายดีไหมแปล ว, ว่าป่วยกันบ่อยนะคุณยังสบายดีอยู่หรือแสดงว่ามันไม่ค่อยสบายสิก็ต้องถามสบายดีไหมเนี่ยก็แปลว่าแสดงว่าชีวิตโดยปกติไม่ค่อยจะสบาย แต่คนไทยนี่เขายัางชื่อสวัสดีครับก็แปลขอให้มีความสุขความเจริญนะโสดทีขอให้คุณมีความสุขเนี่ย น, นะคำ <ess> ว่าโสดทีก็คือขอให้คุณประสบแต่ความสุขความเจริญสวัสดีครับก็คือขอให้คุณประสบความสุขความเจริญตลอดไปเรียกว่าโสดทีหรือสวัสดีครับเนี่ย น, นะ <S <S <ess> แต่ถ้าเป็นฝรั่งก็ถามกันว่าเออนี่คุณสบายดีไหมก็แสดงว่ามันไม่ค่อยสบายโดยรวมๆแล้วมันไม่ค่อยจะสบายเนี่ย น, นะก็เลยคุณสบายดีไหมยังยังอยู่ดีอยู่หรือก็แปลว่าโดยมากไม่ค่อยดี นะก็คือไอความไม่ดีความเลวร้ายสารพัดอย่างมันมีอยู่นะพันมีอาชีพไหนบางที่เขาถามมาสบายเนี่ยนะสบายจริงๆริงหลายห ล, ลายอย่างก็บอกโอ้ยตอนแรกดีดีสมนุตินนะ่ะโอ๊ยดีมากให้ไปอยู่ในห้องห้องมีแต่ทองอย่างเดียวเลยแล้วก็ถูกขังอยู่นั้นวันละ8ดชั่วโมงวันละสิชั่วโมงตลอดชาติเอาเองนะตอนแรกมันดีดีนะีตอนนานๆเข้ามันชักไม่ค่อยดีอย่างที่คิดแล้ว ไอ้จักจากงหรือก็หวงไอจ้จักไอ้อยากอยู่ต่อไปไหมก็ไม่ค่อยอยากอยู่ไอ้เสียดายก็เสียดายคือโดยที่สุดมันก็เป็นอย่างเอาไหมเนี่ยไปนั่งอยู่ครับไปบางรายการนะอยู่กับแบงค์เลยกองสูงท่วมหัวเลยแลก็นั่งนับแบงค์เลยเนี่ยนะ